จิตของพระพุทธเจ้าสงบเยือกเยน็นสะอาดบริสุทธิ์เวลาใดที่จิตของเรามีความสงบมีความเยือกเย็นมีความชื่นชื่นมีความผองใส เรื่องราวข้างนอกเข้ามากุ้มลุงแสดงว่าเวลานั้นน่คุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในใจเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะจิตใจของพระองค์ สะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีมณฑินเข้าไปเจือยวผลไม่มีอะไรเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในจิตใจถ้าว่าเราสามารถชําระจิตเราได้ไม่ให้มีเรื่องราวอะไรมาปนเปื้อนอย่ในจิตของเราเวลานั้นนะ่ะเท่ากับว่า คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เข้ามาสถิตอยู่ในจิตใจของเราเพราะนั้นจิตของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ด้วยการสำรวมจิตใจมีสติควบคุมจิตใจ เราก็ต้องมาสำรวจดูว่าจิตของเราเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเห็นจิตตัวเองัหมรู้ไหมว่าจิตของเราอยู่ยังไงเป็นยังไงถ้ามันไม่เห็นจิตก็แสดงว่าจิตเรายังไม่มีสมาธิแสดงว่าสติเราน้อยสติเราอ่อนควบคุมจิตไม่ได้ถ้าสติของเรามีกำลังมันจะควบคุมจิตได้ จิตของเราก็อยู่กับตัวเราเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรจิตเราสงบมันต้องอาศัยสติควบคุมจิตแล้วมันจึงจะมารู้สึกได้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรมันนิ่งมันเป็นหนึ่งไม่มีอะไรกุ้มลุมไม่มีอะไรเจือปนมันก็เห็นได้ แต่ถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าสติยังอ่อนมากการปฏิบัติของเรายัางน้อยตัวสมาธิเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับน้ำส่วเรามองดูน้ำเรายือนอยู่ริมริมสระหรือริมบ่อน้ำมองลงไปในน้าเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยมันเหมือนน้ำอยู่นิ่ง น้ำนิ่งไม่มีลมพัดเลยไม่มีคลื่นแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีไม่มีไมมออโคลนตรงไม่ไม่มีตะกอนทำให้น้ําขุนคือน้ําใสน้ําใสแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วมันก็ยังมีความนุ่มนวล ควรแก่การงานเนี่ยตัวจิตเนี่ยมันต่างจากน้ํานิดหนึ่งคือมันนุ่นนวลด้วยควรแก่การงานด้วยเงินพัฒนาไปเรื่อยนะตัวสมาธินยน้ําที่ไม่มีลมพัดไม่ไม่เลยไม่มีขึ้นลมพัดลมก็เหมือนกับพวกอารมณ์ต่างๆนี่แหละมันเข้ามาพัดจิตเราเข้ามากุ้มลุมจิตเราเข้ามาเจือปนอยู่ในจิตของเรา เข้ามาทำให้จิตของเราเนี่ยวันไหวไปทำให้จิตของเราคิดนึกปรุงแต่งไปเพลินไปไหลไปเข้ามาวุ่นวายอยู่ในจิตใจของเรามันก็เหมือนมีคลื่นมีลมพัดเข้ามาไม่ใสมีตะกอนก็คือมีเรื่องที่มันมุนวายอยู่ในจิตนั่นแหละกลุ่มหลุมจิต มันไม่นีมันไม่ใสมันมีคลื่นลมอยู่ในจิตเราขึ้นๆลงๆทีนี้ถ้ามันมีปลาน้ำเนี่ยเรามองไปถ้ามันมีตะกอนมีความขุ่นน้ำมันไม่ใส สิ่งต่างๆเชื้อปนอยู่ในน้ำถ้ามีปลาเราก็มองไม่เห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยน้ําต้องใสคือจิตต้องเป็นสมาธิมันก็เห็นอะไรโผล่ขึ้นมาเห็นเลยนะแล้วมันจะมีพลังตัวจิตที่เป็นสมาธิมันจะมีกําลังเลยตัวจิตเนี่ย มันเหมือนกับมันมันอะไรเข้ามาเนี่ยมันมันมีกําลังมีภูมิต้านทานน่ะถ้าว่าจิตของเราไม่มีสมาธิเนี่ยอารมณ์อะไรเข้ามามันก็ติดหมับเข้าไปในจิตของเรามันก็เลยมีอารมณ์กุ้งลงจิตของเรามันก็เลยไม่นุ่มนวลในกวรแกการงานเพราะมันว้าวุ่นมันวุ่นวาย มันมีแต่อา ร, อารมณ์ต่างๆเดียวรื่องนั้นบางเรื่องนีบางเรื่องราวต่างๆที่จริงมันอยู่ข้างนอกเรื่องคนนั้นคนนี้เนี่ยก็ไปเอาเรื่องคนนั้นคนนี้เข้ามาอีกแล้วเกี่ยวการทํางานของงานงานก็เปเรื่องการงานก็ทําไปแต่เสร็จแล้วมันเข้ามากุ้มลงจิตเนี่ยเรื่องครอบครัวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องอาหารการกิน เรื่องข่าวข้าวเรื่องโมสารพัดเรื่องมันก็ทำให้จิตของเราไม่เป็นอิสระจิตของเรามีแต่ตะกอนมีแต่ขื่นมีแต่ลมมีแต่สวะมีแต่เศษขยะมูลฝอยน้ำก็เลยไม่สะอาดเลยเหมือนจิตเราไม่สะอาด ทีนีพอพ อ, พอเราต้องอยู่กับจิตเราอะ่ะกเ็เราก็เลยได้อยู่กับความไม่สบายอะ่ะเพราะเรื่องราวานอยู่ในจิตเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามมีสติทีนี้ถ้าว่าเรามีสติควบคุมจิตได้จิตมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมามันจะแน่วแน่ขึ้นมามันจะมีอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวก็เหมือนไม่มีฝืนไม่มีลมไม่มีตะกอนไม่มีสารปนเปื้อนทาให้จิตมันขุน่น ทำให้น้ำขุนหรือมันทำให้จิตมันเนี่ยมันมีเรื่องมีราวความขุนมองเศร้ามองขุนเครื่องว้าวุ่นเพราะนั้นการฝึกจิตเนี่ยมันจึงจาเป็นมากมันมีความสําคัญเมื่อมันใสมันนิ่มมันมีกำลัง อารมณ์เข้ามาไม่ได้แล้วทีมันก็นุ่มนวลทีควรแกการงานมันพร้อมที่จะตื่นตัวขึ้นมาพร้อมที่จะพัฒนาจิตของตัวเองให้มีกำลังเพิ่มขึ้นนจิตมันพัฒนาได้มันฝึกได้มันเปลี่ยนแปลง แต่เราให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนี่เรียกว่าทำให้กุศลมันเจริญฝ่ายสมาธิฝ่ายสติฝ่ายสมาธิ ฝ, า ฝ, าาธฝ่ายปัญญาฝ่ายศรัทธาฝ่ายความเพียรพรงนี้เป็นฝ่ายกุศลหมดถ้าเราพวกนี้มันเจริญขึ้นมาเนี่ยจิตใจของเรามันก็จะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็รู้สึกเกลีใจซึงกันอะรกันเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากมีทุกข์ ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีความเดือดร้อนมันเห็นทุกข์อยู่ในจิตเห็นปัญหาอยู่ในจิตมันก็เลยไม่อยากให้คนอื่นมีปัญหาด้วยเข้าใจคนอื่นมีคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต้องเข้าใจคนอื่นด้วยละมันระวังตัวเองด้วยละมันระวังคนอื่นด้วยไม่ให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันมันก็เลยเห็นใจซึ่งกันและกัน มันก็มีน้ำใจต่อกันมีเมตตาต่อกันแต่ว่าปฏิบัติธรรมแต่มันมันมันมีแต่ความอฉากันคุนเครื่องใส่กันเห็นโทษกันจับผิดกัน อ, อย่างนี้แสดงว่าคนนั้นตั้งจิตไว้ผิดแล้วจิตใจไม่มีเมตตาไม่มีกกุณามุทิตาอุเบคาแล้ว แสดงว่าคับแคบแล้วเห็นแก่ตัวแล้วมีความสำคัญมีตัวมีตนไปอีกทางหนึ่งเลยนะสะสมจิเลสทันทีเลยนะคือถ้าวางใจผิดแล้วก็ผิดทางอะ่ะสวนทางกับธรรมะทันทีเลยปฏิวัติยุ่งปฏิวัติจิเลสทุกข์ พอตัวตนมันมากขึ้นแต่ถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าเออตัวตนมันลดลงอะ่ะสํารวมระวังทําอะไรก็ทําเพื่อพัฒนาจิตของตัวเองอู้ยางนี้จะเล่นก้าหน้าทันทีเลยนะทําดีก็เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีค่าเห็นความชื่นชม มันทำให้จิตใจเรามีพื้นฐานที่ดีงามและลึกถึงความดีที่เราทำแล้วมันเบิกบานมันอเบิกมันเป็นสมาธิมันสงบพอจิตสบายแล้วมันก็เป็นสมาธิง่ายจริมันมีกำลังด้วยมันยิ่งมีปัญญาด้วยทำเพื่อไม่มีตัวตนมันไปพร้อมกันเลยทีฉีสมาธิปัญญา ถ้ามันก่อเกิดมีตัวตนเราห้ามมันไม่ได้เราก็รู้ทันมันดิก็ต้องรู้ไปมันต้องเกิดเพราะว่าเรายังเป็นคนฝึกฝนยังปฏิบัติอยู่ไอ้ตัวตนนี้มันก็มีมาสามทางมาจากกันหามานะทิชชีเวลามันมันมีเกิดตันหานี่มันก็ความอยาก บางคนตันหาไม่อยมี่ยมันก็อยากได้อะไรอ่ะมานะทีนเอาไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้เราดีกว่าเนี่ยนีมียืดขึ้นมาแล้วกิดพองขึ้นมาแล้วขยายตัวแล้วเนี่ยนี่ก็มีตัวตนอีกแบบหนึง่งบางคนก็มีตัณหาคุณแรงเห็นอะไรก็มีแต่อยากได้อยากได้ก็มอยากได้เพื่อนเราเราอยากได้ลื่นรน บางคนก็ขับแคบยึดถือแต่ไอความคิดความเห็นของตัวเองเหตุผลที่ที่เกิดจากความคิดของตัวเองขึ้นมาเชื่อลงไปมันก็เลยไม่เชื่อธรรมะไม่เชื่อคนอื่นที่มันมีเหตุผลต่างจากเราหรือว่าเหตุผลที่มันเป็นกลางๆที่มันเป็นธรรมะใช่ถ้าเป็นธรรมะมันจะเป็นกลาง มันมีความถูกต้องแต่ถ้าเอาความคิดความเห็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เกิดจากความคิดของตัวเองที่มามันไม่เป็นธรรม ะ, มะทำไมทำห้ครับแคบอยากได้อยากใหญ่ใจแคบคำว่าสามตัวนี้ลหละ เพราะนั้นแต่ละวันแต่ละวันเราต้องมาสํารวจดูตัณหาเป็นยังไงวันนี้มีตัณหาไหมมีความอยากเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิไม่ทันเลยนะเป็นเราไปหมดเลยนะดู้สซิมันมาเป็นเราเวลามันมา เ, เราอยากได้ถ้าได้มาแล้วเราต้องสบายมันทําให้เราเป็นสุขแน่ๆนี่ น, นี่เวลามันมามันก็หาเหตุผลให้เราทําตามมัน มานะก็ถ้ามีคนอื่นเขาดีกว่าเรามันก็เจ็บปวดทุกทรมานเน่ะไม่อยากให้เขาดีกว่าเราถ้าเราดีกว่าเขาก็เขืองขึ้นมาถ้าได้กว่าเขาก็แฟบลงไปเศร้าซอยน้อยเหยงาเนี้ยมันขึ้นขึ้นลงลงไปไกลไปเปรียบเทียบกับคนอื่น มันก็ต้องมีปัญญาเข้าไปอบรมจิตด้วยไม่ได้มาตายไหมถามตัวเองเลแล้วมันไม่ตายเอออยู่ได้อยู่ไม่ใช่ไรอ่ะเขามีบุญเก่าเขามีหรือว่าเขาอะมีบุญเขาได้มาของเขาเาก็เลื้ยงเขาไปเราไม่ได้อย่างเขาเราอดตายไหมเออไม่ถึงกระตายพออยู่ได้เออปฏิบัติทำก่อนให้จิตใจเจริญขึ้นดีกว่า หร อ, อยากได้มันก็มีจิดแต่ว่าอยากได้มุนแรงจิตกิ่นลนมีไปอยากได้ของคนอื่นพวกเนี้ยพวกตันหาทั้งนั้นถ้าเห็นเขาได้อยากได้แล้วเราควบคุมจิตความอยากมันเกิดแล้วก็ดับไปมันก็แล้วไปความตัวอย่างนี้มันมันเกิดแล้วก็ดับ แต่ก่อนมันจะดับนี่ยมันรีนงานเราก่อนเน่มันบีคันก่อนเวลามันเกิดขึ้นโอ้ยเหตุผลของมันน่าดูเลยนะบางทีสู้มันไม่ได้ยิ่ตามมันเลยนะเวลามันมีเหตุผลของมันก็รุนแรงเหมือนกันถ้าปัญญาไม่ถึงมันก็เอามันไม่อยู่ถ้าได้ถ้าได้มามันก็คิดว่ามันต้องเป็นสุขแน่เนี่ย ทีนี้เวลามันไม่ได้มามันไินทุกข์นะพอมันอยากได้ได้มาจริงจริงมันก็ไม่เท่าไหร่แค่นั้นเองที่ได้มามันก็ไม่ได้สุขเท่าไหร่ตื่นเต้นได้ตามความพอใจสมอยากนิดหน่อยเสร็จแล้วของที่ได้มามันก็มันก็อย่างนั้นแหละต่อมาเมื่อเก่าเหมือนกัน มันก็เบื่อหน่ายเหมือนกันแล้วก็อยากได้ของใหม่อีกของใหม่ก็สำคัญไอ้ตัวเก่าของเก่ามันก็ไม่มีความหมายถ้ามีผลมันก็เบาลงเพราะะนั้นต้องอาศัยสติจึงจะรู้เท่าทันอาการของจิตและจิตก็ต้องเป็นสมาธิควบคุมมันควบคุมจิตได้จึงจะเห็นอาการพวกที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ ก็ตัวขึ้นมาไม่งั้นไม่เห็นนะพอไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะฝึกจิตยังไงถ้าได้เห็นมันโอ้ยมันมาจากจิตเราเนี่ยโมันมาจากจิตของเราที่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมฝึกฝนอบรมไม่พอคนที่ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระอุเชรเจ้าไม่รู้เลยถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นอีกก็ไม่รู้ทางออกมันจะเอาทุกข์ออกไปจากใจได้ยังไง ทำให้ิใจเรามีความสุขความสงบขึ้นมาได้ยังไงทีนี้ถ้าได้เห็นบ้างทีนี้เราก็ต้องอดทนมาทีนี้เพราะว่ากว่าที่อารมณ์ทั้งหลายที่มันกุ้มลุมเรามันจะอ่อนกำลังลงเนี่ยต้องใช้เวลาเหมือนกันนะทั้งนี้เรารู้ว่าเป็นแค่ความคิดอะแต่จะไม่หยุดความคิดที่มันปุ่งแต่งทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยต้องอาศัยเวลามันกัน ต้องฝึกฝนอบรมปฏิบัติไปถ้าได้เห็นหน้าเห็นตามันแล้วมันจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆแล้วเราจริงจะสบายขึ้นนมันจริงต้องอาศัยการปฏิบัติจิตความคิดความเห็นก็เหมือนกนันก็มาจากความคิดนี่แหละมันปรุงขึ้นมาซะกอ่อนไอ้ที่จริงความคิดนี่มันเกิดดับมันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเฉยเขาเรียกว่าเจตสิก เจตสินมีหมายถึงว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่จิตอย่างเช่นเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งจิตให้เห็นก่อนพอเห็นแล้วมันจึงจะเริ่มจดจําเริ่มปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งนี้มันมาที่หลังในความคิดเนี่ยเพราะนั้นจิตกับความคิดเนี่ยมันคนละมันคนละอยา่างแต่เราแยกมันไม่ออกอ่ะ เดียนี้ส่วนใหญ่มันจะไปเชี่ยวความคิดไปหลงความคิดเพราะอะไรเพรว่าสติของเราไม่มีกําลังความเพียรของเราไม่มีกําลังก็เลยจิตก็เลยไม่มีสมาธิพอทีมีสมาธิก็ไม่เห็นอาการที่มันเกิดกับจิตของเราเราเลยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเองขึ้นมาหลงวิ่งตามความคิด มีตามความเห็นของตัวเองบางทีความเห็นของเรามันผิดๆจริงเพราะมันเห็นผิดอะ่ะไอความจริงเป็นอื่นความคิดของเรามันเป็นอย่างหนึ่งแล้วมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคิดผิดความเห็นผิดมีคนหนึ่งเขาเดินผ่านเดินผ่านในบ้านไ อ, ไอคนนั้นที่จริงมันมันมีคนหนึ่งอ่อะมันมันมีอาการทางจิตอะ่ะ หญพพิงพอผู้หิงคนนั้นผ่านมันก็ด่าใหญ่ด่าเสีย ห, หายมีดอกทองอย่างนั้นอย่างนี้มีว่ า, อาโอ้โหเจ็บปวด ส, สิทั้งอายทั้งโกรธสารพัดไปถึงที่ทำงานก็ยังคิดถึงไอ้คำด่าของเขาอยู่ก็เลยไปไปเล่าให้เพื่อนฟังผ่านบ้านนั้นนะโอ้โหมันด่าเสีย ห, หาย เคยรู้จักกันเลยมั น, ม, นมันด่าเจ็บปวดทุกข์ทรมานววาเอกวาอ้าวไม่รู้เลยคนนั้นเป็นคนบ้าเหรอเป็นบ้าเหรอโอ้แล้วไปแล้วไปเนี่ยพอรู้ว่าเขาเป็นคนบ้ามันก็ไม่ยึดเชียพอไม่ยึดมันปล่อยวางได้ก็เลยไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเลยสบายสบายเขาเป็นคนบ้ายอมรับถ้าใจเรายอมรับได้เนี่ยมันก็ปล่อยวางได้มันก็ไม่เอาเรื่องข้างนอกเข้ามาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ เพราะนั้นเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาในรูปของความคิดเราเนี่ยหละมันมีความคิดผิดผิดเราไปเชี่ยความคิดความเห็นของเราเองแต่ถ้ามันมันมีปัญหาขึ้นมาเราก็สอบสวนเนี่ยหาข้อมูลสักหน่อยยับยั้งจิตไว้นี่ถ้าสติมันมีมันจะคุมจิตเอาไว้กรันแล้วก็สอบสวนจรินี่ยะมันคืออะไรกัน สอบวนเข้าใจแล้วมันก็วางเงี้ยแสดงว่าจิตของแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่ฝึกฝนอบรมมันมีโอกาสที่จะเป็นทุกข์มากถ้าฝึกฝนอบรมก็เออทุกข์มันก็เริ่มรู้นะทีนี้ทุกข์กาทุกข์ในเนแต่ว่าคราวนี้เราเราเริ่ม เราเริ่มเรียนรู้แหละถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มีตาหูจมูกลิกลายใจมีธรรมชาติแวดล้อมอยู่ข้างนอกเช่นมีคนอยู่รอบๆตัวเรามีสัตว์บ้างมีสิ่งของมันต้องมากระทบกับเรามาทางตาบ้างทางหูบ้าง จะหมูบ้างลิ้นบ้างสัมผัสทางกายบ้างใจเราคิดขึ้นมาแล้วก็ย้อนเข้ามากระทบจิตตัวเองบ้างอยู่คนเดียวมันก็ถูกได้แต่ถ้าฝึกจิตกันดีฝึกจิตมันมันมั น, มนจิตเราจะพอมันเป็นสมาธิขึ้นมาจิตมันจะเริ่มเริ่มเป็นตัวเห็นตัวดูมันจะคอยดูแล ถ้าลงอะไรโคลม า, ลามันเห็นมันเห็นเนี่ยเห็นแล้วเจจิตเนี่ยมันจะรู้ว่ามันมันเป็นตัวเห็นต่อไปมันไม่ใช่จิต่ะเหมือนกับเหมือนกับเรายืน อ, อยู่อยู่บนบ้านเรามองลงไปตามถนนเนี่ยคนเดินผ่านไปรถหิ้งไปหิ่งมาคนผ่านไปผ่านมาเราไม่เอาเรื่องเลาที่เขาผ่านไปผ่านมาเข้ามามีปัญหากับจิตเรา เขาไปก็เรื่อง ข, ขอ ง, ง, กก ง, งเข า, ารถผ่านไปก็เรื่องของรถมอเตอร์ไซค์บ้างจักรยานบ้างรถยนต์บ้างรถเก๋งรถโดยสารว่าไปม้าวิ่งผ่านไปเอาช่างนันก็แสดงว่าพวกอารมณ์ทั้งหลายมันผ่านไปผ่านมาแต่บางทีมันกระทบกระทบกับความรู้สึกของเราคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น era, มันมีความหมายต่อชีวิตของเรา เราก็ให้ความสำคัญมั่นหมายกับมันมันก็เลยมามีผลต่อจิตเราเพรา ะ, ะนั้นถ้าอยากให้ความทุกข์มันน้อยลงก็ต้องฝึกจิตต่อไปเป็จนจิตของเราเนี่ยมันมีกาลังเพิ่มขึ้นจนมันยอมรับได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองถ้าเรายังมีชี้ิอยู่ตรงนี้ไม่พน้นหรอกก็มีเรื่องมากระทบใน่ี้ ถ้าว่าจิตของเรามันมันมันเรียนรู้แล้วมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ปรุงแต่งมากมันจะปล่อยวางได้ค่อยๆปล่อยค่อยๆวางไปมันก็จะเบาลงไปนเรืย่ยเพียงพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ฝึกฝนอย่างนี้แหละท่านก็อาศัยมีสตินะแต่พระองค์เนี่ยจเจรินอนาณาปานสติดูลมตามลมเข้าตามลมออก แล้ลมเป็นยังไงก็มารู้รู้อาการของลมอะไรเกิดขึ้นก็รู้แย่นีแล้วก็มีสมาธิต่อมาพราะองค์ก็สามารถที่จะรู้เกี่ยวกับการเย็นว่ายตายเกิดรู้เกี่ยวกับกรรมของสัตว์แล้วก็เข้าใจเข้าใจรู้ว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงของพะเจ้ารู้นะ วันที่ตัดสรุนี่พระองค์ประมวลเข้ามาเลยว่าเราตัดสรุอะไรองค์ก็รู้ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนมีั้งนอกก็มีลูกคนมีสัตว์มีสิ่งของอยู่ในโลกตาก็ต้องกระทบสิ่งเหล่านั้นกระทบแล้วก็มี ความสบายไม่สบายถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยหูก็เหมือนกันมีหูก็ต้องได้ยินเสียงได้ยินแล้วมันก็พูกเข้าไปหาจิตมันก็สบายบ้างไม่สบายบ้างถ้าเสียงมันเพราะเราถูกใจเรามันก็สบายถ้ามันหยาบเสียงด่าเสียงครูไม่ถูกใจมันก็ไม่สบายจะมาเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้ามีชีวิตอยู่นี้มันต้องเจอ นี่มันก็เข้าหาไอ้จิตของเรามันก็ออกมารับพอมันเกิดขึ้นในจิตของเราแต่ถ้าจิตของเรามีสติรู้มันแล้วมันเกิดแล้วมันก็ดับไอ้จิตของเรามันจะไม่ยึดมันจะปล่อยได้เพรา ะ, ะนันต้องอาศัยการฝึกฝน่ยบิเจ้าก็รู้ว่าโอความทุกข์มาแบบนี้คนทุกคนมันก็ต้องมีตาแล้วก็มีหู มีตาก็กระทบลูกสิ่งที่ที่ตาไปเห็นนะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นถูกใจไม่ถูกใจมันก็สบายไม่สบาย้วยนะสบายก็อยากได้ไม่สบายก็อยากผักใสยอยากให้มันดับไปไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยากหนีกงเกลียดชิงชังโกรธเคืองยินไล่ขึ้นมาเนี่ยหูได้ยินเสียงก็เหมือนกัน ก็ต้องกระทบจิเตเราล้วก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นเลยสบายไม่สบายถูกใจไม่ถูกใจไม่สบายใจก็อยากให้มันหายไปอยากให้มันดับไปไม่อยากได้ยินไม่อยากเกี่ยวข้องถ้าถูกใจก็อยากได้ยินอยากพูดอยากคุยอยากฟังอยากเกี่ยวข้องถ้าไม่ฝึกจิตไม่ทำแบบผมนี้ มันเข้ามาอยู่ในจิตเราละเป็นความอยากอยากให้มันดับไปอย่างนี้อยากบ่อยๆนี่เกาเรียกอุปาทานเอามาคิดบ่อยๆนึกเรื่องนั้นบ่อยๆนี่มีอุปท า, านแหละมันก็ามาอยู่ในจิตเราละเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วเนี่ยปุ้งแต่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหนัก นักอยู่ในจิตมีน้ำหนักขึ้นในจิตเป็นตัวตนขึ้นมาในจิตเนี่ยเกิดขึ้นในจิตแล้วมีการเกิดเกิดในจิตก่อนนะบางทีจิแรกไม่มีอะไร อ, อย่างแต่เรามาวัดเนี่ยจิตเราสบายไม่มีเรื่องอะไระเดี๋ยวไปกระทบอารมณ์ข้างนอกเข้ามาอีกแล้วแต่ถ้าหาว่าเรารู้จักวิธีเอาสต่ว่ายังมีสติไว้มีอะไรไ ว, มไว้มันมาก็รู้รู้ไปก่อน มบางทีจิตมีกําลังขึ้นมาเราพยายามไม่ยินดีไม่ยินร้ายอารมณ์นั้นก็ดับไปถ้าเห็นความเกิดความดับของมันบ้างนี่มีตัวปัญญาล่ะทีนี้เราก็รู้ทางออกโอที่แท้มันเกิดแล้วกระดับของมันเองนะเพราะนั้นเราต้องมาระวังจิตเราเนี่ยก็มาฝึกจิตเราอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็รอเวลาให้มันดับไปอดทนไว้เนี่ยระหว่างนี้ก็ต้องมีปัญญาด้วย เราทุกคนเกิดมาแล้วก็มีกรรมบินของของต น, เ, นเอามาใช้เพืดประโยชน์ละทีนี้กรรมเก่าก็ให้ผลมีกรรมใหม่ก็มีด้วยคือกรรมในปัจจุบันนี่แหละกรรมใหม่เราก็ต้องมาสร้างกรรมใหม่ให้ดีทีนกรรมเก่าช่างมันเราทำมาแล้วยอมรับใช้กรรมไปแต่กรรมใหม่ต่อไปนี้เราจะต้องพยายามเป็นกรรมที่ มีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมีธรรมปฏิบัติธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ออกจากกรรมเป็นกรรมที่เฉยๆจิตเรายู่เหนืกรรมเป็นอิสระจากกรรมเป็นอิสระจากกรรมคือจิตเราไม่ติดอ่ะทุกคนก็มีกรรมทีนั้นเคยทํานู่นทํานี่มาชัวรว่าเราทําอะไรมันผิดพลาด เราเอามาเป็นบทเรียนใช้แก้ไขมันไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องมันกรรมนั้นก็แล้วไปมันไม่เข้ามาวุ่นวายในจิตของเราแล้วจิตของเราปล่อยได้วางได้มันก็แล้วไปผ่านไปเนี่ยเราเป็นนิสระจากกรรมนั้นกรรมนั้นไม่มีผลต่อจิตเราไม่เอากรรมนั้นการกุณกรรมมานนั้นมาตกค้างอยู่ในจิตเราเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในจิตจิตก็เราจิตเราก็เบาสบายขึ้น เรื่องเราก็น้อยลงไปแต่มันจะเข้าใจมันจะปล่อยได้เนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตมันเข้าใจแล้วมันก็ค่อยปล่อยค่อยวางไปเรื่อยๆเพราะนั้นความสำคัญมันอยู่ที่การปฏิบัติเราพยายามสติดีๆนะตั้งสติดีๆให้รู้ตัว เดี๋ยวเราจะหยุดละเปลี่ยนตัวตั้งใจดีๆทำจิตของเราให้ตื่นขึ้นมาให้ดูว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เอาจิตของเราสํารวจดูสิร่างกายเป็นยังไงมีเวทนาไหมเจ็บป่วยมีไหมเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้มีไหมจิตของเราดูเฉยๆได้ไหมรู้ว่าความเจ็บความปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวทนา แต่ว่าวิทนาระวทนาทางกายเรานั่งนานมันก็มีเจ็บมีปวดเกิดลมมันวิ่งไม่สะดวกทา่ทาท่าลมก็วิ่งไปมันไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากว่าร่างกายเรามันกดทับลงไปน้ำก็ไม่สะดวกลมก็ไม่สะดวกร่างกายโดยสร้างวทนาขึเนมา เป็นเวธนาการกายเฉยๆแต่ทีนี้จิตของเราเนี่ยมันไปยึดร่างกายไปยึดเวทนาว่าเป็นของเราแบแป๊บเข้าไปหาเข้าไปหาจิตแต่ถ้าหาว่าสติดีไอ้แป๊บมีเดียวก็ดับไปแต่เวลามันดับไปแล้วเนี่ยจิตมันก็มันรู้สึกว่ามันเจ็บอะ่ะมันไม่อยากเจ็บมันก็จะปรุงแต่งในทางที่อยากขยับอยากเลิกอยากให้เวทนาหายไป ถ้าวาสติเราไม่ดีปัญญาเราไม่พอในีเราเราก็ทําตามมันเราคุมมันไม่อยู่แต่เห็นท้าเราจะฝึกจิตเล่าเราก็ต้องควบคุมจิตเราอดทนเพื่อที่จะดูให้มันให้จิตมันเห็นนะเห็นว่าเวทนาอยู่ในนการจริงเห็นว่าไอจิตของเราเนี่ยมันไปนหลงยึดเวทนาเพราะเป็นของเหลวมันก็เลยไม่อยากให้มีเวทนา ไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดอยากให้เวทนาหายไปเราก็เห็นอาการของจิตที่มันมีอุปท า, านที่มันไปยึดกายยึดเวทนามาเป็นของเราันไปยึดแล้วก็คือว่ามันไปมันอยากให้มันหายบ่อยๆ อ, อยากให้ดับบ่อยๆไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบางทีมันทนไม่ไหวมันก็อยากจะขยับ บานทีก็บิดตัวไปมาเพื่อที่จะให้ให้ใหเวทนามันหายไปก็จิตนี่แหละมันเร็วมากมันมันมันไปบงการให้ให้ร่างกายเนี่ยเป็นไปตามนั้นที่ถ้าเราไม่ทันจิตเราก็ไปเห็นแต่อาการข้างนอกแต่ถ้าฝึกไปฝึกไปเห็นหมดเลยนะมันมีรายละเอียดอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันก็ มันก็เป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ดูกายดูเวทนาดูจิต้ามันปล่อยวางได้เฉยได้เห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่ของเราเนี่เป็นเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยปัญญาจริงๆนี้ก็คือเห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยเห็นคือเห็นปัตติลักษณ์อันนี้จังก็คือความไม่เที่ยงแต่ก่อนไม่เจ็บแต่นี้มันเจ็บขึ้นมามันปวดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยความเจ็บความปวดเนี่ย บางทีก็มีหนักมีเบาบางที่ย้ายที่ได้ด้วยเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เราก็ถ้าจิตของเรามันรู้สึกได้ว่า เ, ออเวทนามนอยู่ของมันไม่ใช่ของเราเนี่คืออนัตตาบางาบัญชามันไม่ได้ก็วางเฉยได้พอวางเฉยได้คือมันปล่อยวางได้จิตมันเห็นอย่างเวทนาตขวคือมันเห็นอยู่ เวทนาหน้าตาเป็นอย่างนี้อนี่างนี่เห็นเลยอาการของมันบอกแล้วก็รู้ด้วยว่านี่คือเวทนาความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นจริงๆทํารู้ทั้งเห็นเห็นแล้วก็รู้จึงจะว่าปล่อยวางได้เห็นถ้าเราฝึดไปเนี่ยมันก็ค่อยๆชัดขึ้นจิตเราจะค่อยมีกําลังเพิ่มขึ้น ถ้ามันจ็บมากๆบางทีจิตของเรามันกําลังไม่พอมันก็ไม่ไหวมันอยากเลิกอยากหนีอยากถอยบางทีมันเลิกของมันเองเพราะมันสู้ไม่ไหวก็ต้องฝึกไปสะสมกําลังเลี่อยไปอดทนเรื่อยไปรอเวลาให้ให้ปัญญาเรามันเตกบโตขึ้นมาถ้าเวลาถ้าว่าจิตของเรามันมันมีปัญญามากมากเพื่อมันจะปล่อยวางได้ ตัวปัญญาเนี่ยมันทำให้จิตปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะมีปัญญาปัญญาจริงเป็นสิ่งสูงสุดท่นานว่าเข้าใจเวิานาว่าเออมันมันไม่ใช่ของเรามันก็จะเข้าใจเรื่องร่างกายแบยมันก็อยู่เวรนาว่อยู่ที่ร่งางกายมันก็ปล่อยไปพร้อมกันร่างกายมไม่ใช่ของเราเหมือนกันทีนี้จิตของเรามันมีอาการขึ้นมามันก็มาในรูปของความรู้สึก ในดูของความคิดก็ต้องมาปล่อยวางให้มันเห็นว่ามันเกิดดับปัญหามันก็มาในรูปของความคิดน่นแหละไม่อยากให้มันเกิดอยากให้มันดับพรุนี้เป็นเรื่องของตัญหาแต่ก่อนเราศึกษาเรืัญหาในที่ว่ามันอยู่ในตัวหนังสือแต่พรุ่งีมัเวลามันเกิดวัดเข้าไปหาจิตโอ้โหมันเสียแทงจิตเนี่ยนี่เราคือการมีตัวตนนีอามีอุปทานเป็นตัวเป็นตนแต่ก่อนไม่มีอุปทาน พอมันเจบขึ้นมามง น, นี้เนี่ยมีมาเราไม่ยึดทีนที้เห็นมันเกิดดับไปเนี่ยมีเหตุมันจึงเกิดหมดเหตุมันก็ดับไปที่เห็นในจิตบ่อยๆบ่อยๆอุ้ยจิตมันจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเฮ้มันก็เข้าใจโอ้อะไรผ่านมาก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปมันเลยไม่อยากยึดอะไรดินจิตเราจะทนทานมากขึ้นมีผลของการฝึกจิตเนี่ยมันต้องพัฒนาขึ้น ตอนแรกก็เอาฝึกสติควบคุมจิตได้แค่จิตสงบนี้ก็มีกําลังขึ้นมาแล้วมีความสงบมีความสุขความสบายมากแล้วแต่เวลากระทบอารมณ์แล้วเรายังไม่มีปัญญาเตียงลาวข้างนอกก็เข้ามาในจิตเราได้นีบางทีก็มาดูว่าเออร่างกายของเราเนี่มันก็แค่จิตมาใช้อยู่หรือว่ามันเป็นของสกปรกนะ พินาศไม่ของสวยของงามอะไรคือถ้าว่าเราทำแล้วจิตของเรามันรู้สึกว่ามันวางเฉยได้มันก็ทำได้บางทีก็พินาาข้างนอกหูยางสี่าสอยู่ผมเหี่ยโอ้ยทาไม่สมีกิ่นะเราเดินทางเดินไปเหนือมันไหลไข้ย้อยส่งกลิ่นออกมาแสดงมันสกปรกกลางกาน กาว่าใครที่นาความสุกับปลกความไม่สะอาดความไม่สวยไมงามแล้วจิตของเรามันสลุดสังเวชมันอยากปล่อยอยากวางเบื่อหน่ายคลายวางได้ก็ทำอันนี้หมายว่าอัธยาศัยแต่ละคนไม่เหมือนกันเคยทํามากรรมฐานอะไรที่เราเคยทํามามันก็จะถูกเจริญเรา ทำแล้วรู้สึกว่าเอาจิตมันพัฒนาขึ้นเคยนั่งแล้วมันเจ็บมั่งมโอ้จิตมันทําท่าทําท่าแย่นเสอนตัวเองเลยนะมาเกิดมามันต้องตายร่างกายสุดท้ายมันต้องตายคนเยียตายเลยเอามาใช้ประโยชน์ มาไม่ตายไม่มีเตายเลยอยากรู้ตายยังไงโหมันเข้มแข็งขึ้นมาเลยนะจิตมันตายไม่เปนเนี่ยร่างกายตายได้แต่จิตตายไม่เป็นไม่กลัวตายจิตมันก็ไปเกิดไปหาร่างใหม่หทีนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นกุศล น, นะ มีนขนาดปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นเทวดาเลยนะสุดท้ายแล้วนะในการปฏิบัติธรรมของเราในวันนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็ทําความรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของเราอะ่ะ มอบให้พระพุทธเจ้าไปจิตใจก็เหมือนกันถวายเป็นพุทธบูชาธรร ม, มบูชาสังคบูชาเลยก็เราตั้งใจบูชาแล้วเนี่ยกายกับใจทําเหมือนไม่ใช่ของเราปล่อยแล้ววางแล้วทุ้งละเหมือนไม่ใช่ของเราเพอจริงๆร่างกายก็ไม่ใช่ของเราสุดท้ายมันต้องตายไปก่อนจะตายก็ ลองลองทำความรู้สึกมอนไม่ใช่ของเรารู้วะแล้วพยายามกระตุ้นข้าพรเาะเจ้าเจรพยามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าให้ยิง่งึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ธ, ธรรมเจรนญผจะทุกในวตสัสสงสารด้วยเทอแล้ก็ทำใจที่บุญให้คิดบุญเอง